ต่อจากนี้ไปเป็น 15 มีนาคม 2547 ที่พุทธสถานประถมโสก ตอนในวันนี้เนี่ยอาตมาว่าเป็นเอ่อวาระที่สําคัญที่อยากจะ ละเพราะงคนควบแสวงหาก็คือมาเป็นคนนี้มันก็เวียนเกิดเวียนตายเหมือนกับพวกเราเชื่อแล้วเราก็ยัง สั่งสมไปสั่งสมไปสั่งสมไปมันก็จะดีกับจากโลกีย์เป็นรายได้บาปทั้งส่วนใหญ่<ใช> เอ่อจะจัดการอย่างแบบทุนนิยมเขาจะจัดการแบบทุนนิยมยิ่งเราเรียนสูงยิ่งเป็นความช่อฉนเขาจะตั้งราคาที่ช่อฉนให้คนที่เรียนสูงมีหลักไอ้นี่มารับประกันแบบโลกโลกอ่ะนะคุณก็ยิ่งจะได้ราคาที่สูงสูงขึ้น มันๆไม่เก่งเท่าไอ้คนที่ต้องไอ้คนที่ได้จบมีแต่ เงินที่นี่พยายามกดพยายามที่จะให้เงินบ้างในพวกเรา เอ่อไม่ไม่งงไม่สับสนชัดเจนเอ่อเลือกถูกเออชีวิต 70 80 เนาะเราได้เสียสละไปตั้ง 70 80 เรเรากําไรใน ที่ไม่ยิ่งให้จริงๆการๆมันไม่ได้หมายความว่าเราเอ่อไม่ได้หมายความว่าเราๆให้ๆ คนที่นี่ก็ถึงพยายามทําที่ไม่ให้คนเนี่ยขาดทุนเพราะอะไรเพราะที่แม่ว่าจะกดขี่เรานี่นะสมมุติว่าอยู่ที่นี่เนี่ยบางคนเอาเงินปันปันปันบุญแต่ว่าบางคน มันเข้ากระเป๋าใครเข้ากระเป๋าใครมันไม่ได้เข้ากระเป๋านายทุนใช่มั้ยแต่ทางโลก มันไม่ได้เข้ากระเป๋าใครมันก็มาเป็นอธิบายรายละเอียดมุมเลี่ยมอะไรให้ฟังไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นการบอกว่าเหมือนต้องกด กดขี่ยิ่งกว่าบริษัทข้างนอกเลยนะดูแล้ว มันไม่ใช่เงินที่เหลือที่เงินหักไปเปอร์เซ็นต์กันมาทําบุญคุณก็ได้บุญมาเกียกเกียกนี่ ถ้าเราเอ้อนอนนี้แหละก็ใบกําไรทําให้ดีอาตมาหลอกไม่ได้มาแมะใช้หลอกหลอกล่อทวงมาเลยเดี๋ยวนี้ประท้วงมาเลยละยอมให้ได้ยอมให้ได้นี่เป็นสัจจะถ้า เราเข้าใจไม่ได้เราก็งงดูไม่ก็ไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อถ้าไม่เข้าใจเอ๊ะอาตมาอธิบายเก่งหรือพวกเราฉลาดกัน สรุปแล้วคนเรานี่ถ้าไม่เข้าใจสัจธรรมอย่างที่อาตมากล่าวเนี่ยมันจะเป็นแบบโลกโลกอ่ะคนโลกโลกก็เป็น แล้วก็ทําอย่างพอใจเพราะว่าเราเชื่อจริงแล้วว่ามันถูกแล้ว แต่พอนี่โอ้โหถ้าวันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้กินอันนี้ไม่ได้ใช้อันๆนึงไม่ได้มาสัก ตัวหัวอาตมาพูดไปแล้วนี่ยิ่งชื่นใจในเรื่องของระบบ มันสะจังจริงๆมันเป็นไปได้นะมันเหมือนกับอาตมาจับพวกเรานี่เหมือนจับไก่มาขังในเข่งมาขังในกรงเดียดกันอยู่ ถ้าเป็นใจว่ามันเดียดอยู่ในกรงอยู่ในไคล กับเซเรนเดอร์เพียวเล็กบางแต่แข็งแรงไม่หิวไม่โหยโอ้โหมันวิเศษอะไรปานฉะ กรรมลบบาปโทวิบากเราเนี่ยจะเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติก็ตอนเกิดมาต้องสังสมวิบากนี้และเป็นซับของเราแต่แปดเปื้อนมามันก็ มันเป็นเกี่ยวข้องเป็นเวรเป็นกรรมเป็นโน่นเป็นนี่ไปแล้วเป็นวิบากอย่างโน่นอย่างนี้แล้ววิบากชั่วเป็น พาไปหมอเมาพาไปเล็กเท็จเลวแล้วก็ลงทิ้งพาไปอย่างง่ายๆเอาเอาเงินดีๆพาเอาไปแย่งรากดีไม่ดีดีหรือไม่ดีเห็นมั้ยพวก ใช่ไหมมันมันก็เข้าใจก็เข้าใจอย่างนั้นจริงๆเลยเราสวยต้องไปเท่ต้องไปนิยมตามเค้าเป็นก็เป็นอาตมาก็ว่ามันจะ เพราะเราจะตั้งใจเจตนาไม่เจตนาถ้าคุณไปก็เขาถูก ไม่เจตนาไม่ได้อยากได้แต่ถูกไปทําพอให้ทําได้ทําบังคับไม่อยากทําหรอก แต่เราเอาที่เราทําเนี่ยคุณเอาอะไรมาแก้มามาเปลี่ยนมันไม่ได้กรรมที่เราทํามันต้องเป็นกรรมที่เราทําจะ ไม่มีอะไรที่จะผักขบปลุกเป็น เออเราก็หวาดระแวงอย่าทําเป็นเล่นไปเถอะตอนนี้ยังไม่เป็นยัง เป็นเด็ดที่เคยผ่านในวงการของเราในพุทธธรรมเคยเรียนพุทธธรรม แต่แม้เองนี่ก็เยอะแยะโอ้โหเป็นแผงเลยนะเดินไปตรงโอ้โหแผงอะไรไป เอ่อฮะโรคห่าโรคเฒ่าโอ้โหแพ็คเกจสวยมากอ่าปรุงโอ้โหแล้วก็จกใช้ ทางลูกเค้าอย่างนั้นจริงๆแต่พอเราอยู่ในขึ้นต้นดูนะเออปลื้มใจเวลาเราไปเผชิญกับกลุ่มอื่น อัตมาเหอเออมันมันเป็นธรรมชาติมันเป็นหน้าคนไม่ใส่หน้ากากของเค้าได้ตัวเด็กตัวเล็กตัวน้อยดูไปออกทีวีเนี่ยโอ้โหยแต่จริตมันทากันดู <c oughs> เออตาตัวโก่งเขียนภาษาสีทาอะไรเขียน เราไม่ได้แปลกอะไรที่ว่าเราก็จะเป็นอย่างนี้เราจะมีอย่างนี้แล้วใจ ก็ฟังก็พูดก็จะอะไรแต่ไปกับเข้าใจเข้าแล้วแล้วก็พอจิตมันสะโดดจิตมันพอมันไม่เอามันก็เฉยมันก็ไม่ไปตั้งกระตือรือร้นอะไรนี่คือสัจจะพิสูจน์ ถ้าของจริงแล้วนี่ต่อให้ยั่วเย้ากระทุ้งกระแทกยังไงภาษาบาลีจะบอกพุทธัสสะโลกธรรมเนหิจิตตังยตตะนํกัมปติพุทธัสสะก็คือสัมผัสโลกะผับโลกะ ใจก็ไม่หวั่นไหวใจก็ไม่เกิดความแสงใจนิ่งเฉยวางสนิทไม่กระประพฤ้มไม่กระพือมไม่ไหวไม่ตึงสนิทนิ่งนั่นคือคุณสมบัติของจิตพระอริยะจิตประเสริฐ แล้วก็ใช้ให้มันสมสับสมส่วนไปไม่ให้มันเหม็น มีความสามารถจะมีมากมายเก่งมาเลยจะเก่งมาเท่าไหร่ก็เก่งแล้วก็ เพื่อเพื่อฝ่ายสังคมเกื้อกูลเอ่อสละให้แก่สังคมโลก อาตมาพุทธะจะทำพูดอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ถูกต้องอันชั่วบาปนะมันเลวนะมันไม่ดีนะมันเป็นผลเสียทั้งต่อตน เออแม้นี่ปากจัดปักจบอะไรนะน่ะปากชัดมาพูดให้รู้ให้ชัดให้ เอ่อลําบากระบนแล้วมันทนอยู่ได้ยังไงเนี่ยทนยังไงน่ะแล้ว จะออกหรือไม่ออกจะอยู่หรือไม่อยู่จะไปหรืออยากไปก็ไป เอ่อไม่ไม่ปฏิเสธแล้วก็มันก็อยากเอาเท่านั้นอาตมาไม่ไปอาตมารู้เรื่องความอยากของเราเนี่ยเราไม่ได้กําหนดว่าที่จึงจะเรียกว่าอยากมันไม่ใช่อยากเราเห็นไม่มีน้ําหนักของกิฏ ไอตามาว่ามูล istahr자로 kadın เขาคณาดนี้และอาตามาไม่ทำให้諷刊ตัวเองทุกอาตามาไม่ได้อย่างุกๆเหมือนๆปล blindfold ๆ Thorntungor bedroom. fridge. Может. He'll make something different how we can do it. All we have to listen to is Alice. It says, to get them into a mirror.dup on the Gel. Krim everything. Hispositive and practice whilst speaking. He never sounds words. Maybe going to speak for the first thing. Choose your answers. · Here it is NOT. Tsch. Jeremy Goett. Spirit.д Virus. entrada. Good One is so human. Buynnu Yorga. Say that comes from Magilos. It's just consumer context. It's not sustainable after words. · ให้เข้าใจสัจธรรม อธิบายไปอีกพวกคุณก็จะจำนนไปอีกเยอะเลยเพราะมันเรื่องจริงทั้ง ทำไมทนรับ แม้ว่าจะไม่ได้รับชื่นชมยินดีไม่ได้รับเอ่อตําแหน่งยศศักดิ์อะไรไม่ได้ดังไม่โด่งไม่ดังดังอาตมา องค์ครู ให้อาตมาได้มีชีวิตอย่างนี้แล้วอาตมาก็อ้อนนี้มาภิกษุมายืนๆอาตมาได้ดีก็อาตมามีอันนี้อ่า พะจะนั้นเอาอะไรเอาถ้าถ้าจะว่าไปให้ลึกแล้วนะ มัน 2 มันเป็นสิ่งดีที่ต้องประกาศที่จะต้องๆๆเพราะฉะนั้นอาตมายัง ก็ภาคเพียรเท่านั้นเองเหตุปัจจัยอะไรที่จะทําให้เราอยู่ไปได้นาน แขนงวิชาต่างๆเนี่ยโอ้ให้เก่งวิศวะให้เก่งเกษตรกรรมพามาตั้งหลักเกณฑ์ตั้งปรัชญาของการศึกษาให้ชินจนเป็น 40 วิชาการ 40 เป็น ศีลธรรม 25 อาตมาไม่เอาไม่ทําไม่คุ้มไม่เอาที่จริงอย่างเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะได้สิ่งไหนอาตมาเป็นงานก็เป็นงานเพื่อ เชิงวิชาการแล้วคุณก็ไปเอาประเมินเนี่ยไอ้สมรรถนะสมรรถภาพกับความ ฟังเหตุผลฟังหลักฐานอ้าง ไม่มันเน้นอย่างนี้ไม่มาเอาใจใส่อย่างนี้ไม่มันมันนั่งพยายามจะบอกว่าบังคับก็บังคับจะบอกว่าตีกรอบก็ตีกรอบตีกรอบคือเราได้เจอศิลปินเป็นงานชาญวิชาก็ไม่ได้แล้วแล้วเราก็เอาก็สื่อเข้าพอสมควรพอกระทบไหลเค้าได้ มาถึงบัดนี้แล้วเนี่ยโรงเรียนสัมมาสิกขาของเรามหาวิทยาลัย มบช. ได้ความของเราเนี่ยเราทําได้ตัวเด็กพวกเราก็ความรู้ไม่ได้น้อยกว่าสิกขาของเรามหาวิทยาลัย มบช. ได้ความของเราเนี่ยเราทําได้ จริงแล้วอาจจะไม่มีการประเมิน 40% มันไม่ 35% ไม่เต็ม 25% มันไม่ถูกต้องนักอาตมาว่ามัน มากน้อยอะไรก็ตามแต่ที่เราทำอยู่เนี่ยน้อยอะไรก็ตามแต่ที่เราทําอยู่เนี่ยนะเพราะๆๆอะไร ทุกวินาทีเรามีกรรมมีอิรบทมีกิริยาบทมีกรรมทุก ถ้าถ้าถูกผัดดัน เขาไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากกรรมอกุศลมันเป็นบาปนะกุศลเป็นบุญนะเขาไม่เชื่อตัวสักกล้าๆ ไม่ไม่ไม่ไม่อายไม่ยินไม่สะทกสะทานจริงๆแต่พวกเราไม่ไม่สะทกสะทานเท่าไหร่เลยนะทําระวังเถอะกรรมมันเป็นจริงไม คุณจะฟังนะแม้เราจะไปทํางานได้ 500 ถ้าสมรรถนะของเราตามเหมาะ 500 คุณได้มา 500 2 วันก็ได้ 30 วันก็ 15,000 ถ้ารักษาไว้มันกระดิกเลยนะแล้วมันเป็นของคุณมั้ยตายจากตายจากไป 500 นี่<ห> ร่างกายเราก็ 1,500 ล้านเค้าไม่เอาไปเผาด้วยหรอกอย่างดีก็ว่าใส่เป็นเหรียญนึงสมัยโบราณ เอ่อเค้าได้เงินปากผีเสียเงินปากผีเอามาทําของขลังก็ไปบ่เด็กคุยเราก็หาผู้ คุยหามันมันก็จริงๆมันละลายอยู่ในนั้นน่ะเอาไปไม่ได้แดนบัว พอเลยจะออกไปหาทุนนิยมจะออกไปหาบาด ก็มีในต่อไปนี่จะมีคนที่เรียนสูงๆจบหมอมีหมอมาบ้างหมอนี่ก็ไม่รู้หัวขโมยไปอะไรมาล้างอะไรไม่รู้ๆมายังไม่ ก็ฝึกได้หาเงินก็ได้อยู่ไม่เอาเอออยากจะมาทํางานมาอย่างเนี้ยมาทํางานไม่ได้เงินได้ทองเนี่ยมาอย่างเนี้ยมันอาตมาก็ว่ามันไม่ง่ายมันก็เออมันก็มีได้มนุษย์อย่างนี้ มันไม่จริงนะทีนี้จะใช้หัวปากหัวปอมเลยเอ้าบอกไว้ให้รู้ตัวนะอะกีนี่เหรอสร้างพลาราธิบาลขึ้นมานี่อย่าหา ก็มันก็จะว่าผู้ที่มีภูมิปัญญาแสวงหามีอยู่ในโลกอินอดต่อไปคงโอ้โห ดร. สิโดนิคเจาะเลยนะในจะมาแสวงหา ทำที่นี้แล้วอุดมสมบูรณ์ไปด้วยบุญอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งประเสริฐที่ควรจะได้เรียนจบมาก็ตามก็มันๆด้าน ว่าดอกเตอร์นี่พังสวยมีจริงๆไม่ต้องเสริมสวยดอกเตอร์สวย ดร. จบ ดร. ทาง ดầu đầu เขาจะเอ้าเค้าก็มีความรู้ความสามารถเปลี่ยนเอาลาภยศส่งเสริม แล้วก็มาทําชีวิตให้อยู่กับสังคมนี้ได้ของกินแค่นี้ใช้แค่นี้อยู่แค่นี้ โอ๊ยจะไปโจรตรงนั้นจะไปจริงๆท่านไปด้วยพระบาทโอ้โหอ่าสัญจ์ เอ่อนั่งอย่างไม่ไอ้การนั่งรถยนต์อะไรนี้ท่านต้องด้วยเท้าบาดเปล่าเอ่อดําเนินด้วยเท้า แต่อัตถ์มันก็ถึงยุคถึงสมัยของมันแล้วควรแสวงหาควรตักตวงเอา กุศลกรรมโลกุตระเข้า กุศลโลกตรานันท์ถึงปรมัตถ์ถึงจิตเรารู้จักจิตของเราพอทําทานไปแล้วจิตของเราก็จะต้องฐานด้วย ขอคืนหน่อยนึงนะขอคืนมายิ่งก็สิให้ไปจริงๆเป็นกรรมก็คือกรรม แค่ใช่ใช่มั้ยเออเออมันไม่ใช่ว่ามันมันได้ก็คือเป็นปฏิกรรม อ่ามนุษย์อาตมานี้ถูกด่าว่าบรรจ์อกุศลทําไมแรงจังเลยทําไมถึงมาดูด่าแต่ใจนี้เจตนาดีแล้วใจนี้แต่ กายกับบึงน่ะมันกุนแรงบึงก็มันร้ายมันมันเลว แม่พ่อแม่อยู่ลูกเขี้ยวเข็นลูกเออใจลึกๆรับรับ พ่อแม่รักแม่แม่รักเคี่ยวเข็ญเราตีเรา พ่อแม่เนี่ยเจตนาลึกๆพ่อแม่อาจดีเกี่ยวเช่นว่าทําอย่างนี้แหละลูกจะได้ดีตีมั่งดุบ้างว่ามั่งเขวแขนมั่งบังคับมั่งอะไรไตรมั่งแต่ลูกไม่เข้าๆแล้วก็เกิดกรณีอย่างนี้ <ม. S 1> และพ่อแม่ก็ลูกก็ชังพ่อแม่ไม่ได้อันนี้เป็นต้นดีไม่ดีๆเลยโอ้โหนี่เรานึง ตั้งใจจริงๆจริงใจเลยได้ธรรมนึงแต่โลกุตระเอาจริงเกิดขาดทุนเท่าไหร่ก็แสนก็ล้านอะไรก็ถ้าเผื่อว่าคนที่มี วัตถุใจก็อ่านใจตัวเองว่าอ่าสละล้านนึงใจก็สละล้านนึงได้ทั้งโลกิยะกุศลได้ทั้งโลกุตระกุศลเพราะฉะนั้นกุศลโลกุตระเป็นหนี้ ที่คนโลกเขาก็ได้แต่โลกียกุศลจิตโลกุตระน่ะขาดตนตรีตมันไปเยอะเลยพวกเขาไม่รู้คนในโลกไม่ได้ศึกษาสัจธรรม โอ้โหคราวนี้ตําเป้าเพิ่มจากปีที่แล้วปีตั้ง 20% โอ้โหฉลองเฮเปรียบเข้ามามากปีหน้าๆๆๆเค้าก็ฉลองบ่ากันอยู่ชม เออเพราะฉะนั้นในชีวิตเราเข้าใจโลโลกุตระเราเข้าใจ คนไม่พบอย่าง 6,000 ล้าน 6,000 กว่าล้าน 6,300 ล้านประมาณนั้นวันถึงวันนี้ปีนี้ทั่วโลกเค้าไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยอรหุตระอย่างเงี้ยสอนกันอยู่ที่ จึงเข้าใจก็ไม่มีฤทธิ์พอไม่มีคุณภาพของโลกุตตรธรรมพอที่จะทํา จะโลภติดโลภหน่อยตรงนั้นตรงนี้อะไรผิดๆผาดๆอะไรบ้างแต่สหายดีสังคม เต็มทั้งหมดทั้งสิ้นของศาสนาเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของบารมีธรรมจรรย์ของที่ที่จะให้ประเสริฐบริสุทธิ์ผุดผ่องไปอยู่ที่อื่นไม่มี เขาก็ลงนรกเขาก็ชวนเราลงๆเลยถ้าไม่เราไม่ทําตามเข้า 2 คนน่ะคนนึงติดเหล้ากินเหล้าว่ามันดีอีกคนนึงบอกเฮ้ยกินเหล้าไม่ดีไอ้เพื่อนคนกินเหล้า ห้ามกินเหล้าบอกไอ้คนไม่กินเหล้าไม่กินเหล้าบอกไม่เอาอ่ะไม่ใช่เพื่อนกันสุมหม่องไม่ เราก็กินเหล้าก็มันปลายเพราะเราไม่งั้นมันจะไม่แล้วทุกครั้งที่ นามเป็นเพื่อนเหล้าเราก็ดื่มกันขึ้นมาเออเพราะจริงใจทั้งโลกเค้าก็จริง เอ่อฉันเนี่ยฉันหวังฉันลงฉันมหา เอ่อเอาละอาตมาก็คิดว่าอธิบายอะไรตรายสู่ฟังเป็นสัจธรรมที่พูดนี้ไม่ได้มาครอบงําทางความคิดไม่ได้ เพราะจะทําแค่ไหนก็อยู่แต่ตัวแต่ตัวละบุคคล ตัดปกเถิดประเด็นนะเค้าก็ไม่ให้เราอยู่แต่เราก็ไม่ได้ตัดปกเถิด อาตมาดีใจภูมิใจในดีเนาะท่านก็พูด อาตมาเองถ้าใครเข้าใจนะอาตมาเองอาตมานั้นไม่ได้ลำเอียงอะไรกับใครหรอกคนด้วยกันเนี่ยทุกคนเป็นลูกเป็นหลานเป็นใครกับใครอาตมาไม่ เอ่อช่วยจะช่วยฝาย มันต้องศึกษาแล้วมันก็ต้องฝึกฝนแล้วมันก็ต้องทําอัน ถ้าอาตมาทําได้อย่างเนี้ยคนจะมานับถืออาตมาจะมาศรัทธาจะมาเชื่อฟังก็มาด้วยอิสระเสรีภาพของแต่สิทธิของเขาเอาไปโยน เอาได้มากได้น้อยก็เอาแล้วแต่ใครตัวใครตัวใครจะกอบเอาได้จะรับเอาได้ก็เอาอาตมาก็ว่าอาตมามีทรัพย์อยู่เท่านี้แล้วก็จะสะสมทรัพย์อันนี้แหละเป็นโลกุตระทรัพย์จะ กว่าจะถึงพุทธภูมิกว่าจะถึงได้กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้ากี่ชาติไม่รู้อาตมาก็ น้อยมิพยายามอยู่หลีกเว้นไม่ให้ทําทําแต่กุศลคืนนึงปีนึงเดือนนึงปีนึงอาตมาก็สั่งสมไป 24 ชั่วโมงแต่ละวันแต่ หาเวลานอนให้ 6 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 10 กว่าชั่วโมงในวันๆ12 เราก็พยายามตั้งใจเอาอ้าวก็ให้ขอให้ทุกคนอวยพรทุกคนที่ฟังไปแล้วก็ ข้อนี้หน่่นักอยู่บ้านเถิดลูกพ่อตื่นตะโหนเพื่อเจ้า มีได้ล่ะเลยนานเรา บ้านเราใหม่ๆพอปลูกอสอไว้ อยู่เป็นมีขวัญ